ก็กราบครวะพระรัตนตรัยพระพุทธประมรระสมขอการกณสมขอเจริญพรอย่าโยมนักปฏิบัติรามทุกท่านนะครับก็วันคืนเรื่มไปเรื่มไปขบฏนี้เราทาอะไรกันอยู่ทางกายทางวาจาทางใจทาอะไรก็ ก็ตามอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าว่าอาหารสี่อย่างนอกจากว่าอาหารข้าวสารอาหารการิงการละ น, อนอาหารทำให้เจริญร่างกายของเราเติบโตกันได้นอกจากนั้นก็มีอีกสามอย่าง สารประเภทเป็นอาหารเป็นภาษาอาหารเป็นภาษาเป็นอาหารเราเกิดทางกายมันสัมปัด <c oughs> กับอวัยนะนอกระดับใ น, นก็มีปิศาจเกิดขึ้น กันนี้ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งทำให้เจริญจิตใจบันทีก็เป็นจิตปุ้นเตนก็ต่อขึ้นได้แล้วก็มโนเศมโนเจตนาอาหารเจตนามโนเจตนาเป็นอาหารก็คือทำให้เกิดตายวาจาใจ แล้วก็ให้ป๊บชาติอันนี้ก็เป็นอาหารยันหนึ่งแล้วก็วิญญาณอาหารเป็นอ่าวิญญาณก็เป็นอาหารยันหนึ่งทำให้เกิดเลือดนามมันก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ อตอนที่เป็นนัดทานอาหารอีกสีข้อนี้ก็วันพิจารณาดู ด, ด, ดีเวลาทางเข้าหรือว่าเวลาคิดสัมผัสกับธรรมชาติหรือว่ากุยกลัดเพื่อนก็มีอาหารสียามเป็นยังไง เกิดเกืออะไรก็พิจารณาได้แล้วก็อาหารเขาสัณหารกขเราก็รู้ราักะราากะเป็นความตา ย, ยตัยยากความอยากได้นี้อยากได้นั้นแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสิน่งกรดทึน ทางกายทางเอทางตาหูจมูกดึงกายใจนี่ก็เราก็รู้ชัดรู้ชัดตอนที่กินหนะะ้าขานทางข้าวก็ดีถ้าเรารู้แล้วก็อ้าวอยากได้เห็นอยากได้กลิ่นอยากได้รสชาติ หวานรดชาตเปรี้ยวเค็มอะไรต่ตางๆก็ความอยากมังม่งม่เห็นชัดได้หรือว่าดูเพ <c oughs> ื่อนนะสวยงามรูปโร่ก็ต้าพิจารณาดูแล้วก็ มันมีความสัมผัสเป็นภาษะบันทีก็เห็นแล้วก็เพิม่มใจรูสึกว่าเบธนาสุขเบธนาเกิดขึ้นตอนที่สัมผัสเป็นภาษะมันเกิดก็เบธนาก็เกิดถ้าเราตอนที่เราทานอาหาร ตามภาษาภาษาหานก็เห็นเวทนาทางกายทางใจเวทนาทุกการเวทนาสุขกรเวทนาสุขทุกทุกมัสการเวทนาเป็นเวทนามันก็คือขึ้นเป็นธรรมชาติตาม เป็นสังขารวิญญาณก็มันก็มีรสชาติมันมาเป็นรสชาติไม่สุขมันทุ ก, ก็มีรสชาติที่สุกสบายเผอรสชาติรสชาติตาเลอร่อย ทำภาษาเป็นเวทนาสุขเวทนาเราก็ดูมันไม่ได้เป็นธาตุของมันถ้าเป็นธาตุแล้วก็มันเกิดทางหาอุปทานกันต่างหาตนที่เราสุขมีสุขทางกายทางใจก็มันจิตก็พลุนแตมเป็นต่างหา อยากได้นี่อยากได้นั้นหรือว่าไต้แล้วก็ไม่อยากทิ้งหยุดมันถือมันเป็นอุปทานเป็นได้อันนี้ก็พยายามที่จะสามรวมใจเบ่นตนากดขึ้นก็ไม่ได้ให้กด ต่างหาต่าหาเป็นสามยานต่างหาเป็นราคะความอยากอยากได้เป็นนี้เป็นนั่นไม่อยากได้เป็นนี้เป็นนั่น ก็มีภาวะต่างหาก็มีภาวะต่างหาก็มกีเราก็แ <c oughs> ก่รู้เฉยๆรู้สึกตัวก็ไม่ได้เกิดต่างหาได้มนโนาจเจตนาหางก็สำคัญตอนที่เราคิด อันเชัญเจตนามังเกิดขึ้นก็จะพูดจะทำจะคิดให้คิดพบชาติก็ได้ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็จะได้เป็นคุสมได้ ใช่ว่าเจตนามันก็เราไม่ได้สำรวมก็คิดเชื่อคิดร้ายพูดเชื่อพูร้ายทำเชื่อทำร้ายเป็นหนักกุศลมจะได้เป็นทุกข์มันไม่มีสติก็เลือกไม่ได้ มันเจตานาก็เป็นเคยจริงมันเกิดขึ้นแล้วก็คิดไปพูดไปหม้ว่าพูดแล้วก็ทำให้ของเดือดร้อนหรือว่าตัวเองมันกระ벙กระวายก็เราก็คิดพูดทำเพราะว่าไม่มีเจ้าของ แผนธาตของเจตนาที่เป็นเคยจริงมันเกิดจากอวิชชาสังาขารเขมันทำตามแ็นธาตุของมันเพราะฉะ น, นั้นเราก็พิจารณาดูว่าเจตนาเป็นยังไง ตอนที่กินอาหารมาโนสัญเจตนาหารก็เราก็พู้ที่เลือกได้เลือกที่ผู้ดีทำดีก็จะให้เป็นเพื่อนเป็นมีคนสรสัสรุได้จิตใจก็ไม่ได้เป็นอกุศลเป็นปกติได้ นโนสันเจตนานอนจากนั้นก็มีบิญญานอาหารอันที่เป็นบิง ญ, ญาณก็พยายามพิจารณาดูก็มันนามารูปมันเกิดขึ้นนีเป็นนามันนี้เป็นรูปมันก็ให้เป็นแอะแย่แยไป ถ้าเราก็รู้วิญญาณตอนที่ทานอาหารวิญญาณอาหารแล้วก็ไม่ว่าเป็นอาหาราร่างกายมันปวดเจ็บหรือว่ามันร้อน้นหนาวมันจิตใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์ก็ได้มันสํารวมดี ไม่ได้เป็นปยัยอันตรายปอมมั น, มน ด, อดเอียดทนทีเกิดสิญญา น, นี่ก็เป็นรายัอียดมากถ้าเราดูแล้วพิจารณาได้ก็มันก็เป็นเจ้าของมันไม่ได้เป็นทาดของมันก็จะ าพอดีพอดีเวลาไหนก็มันมีสติทำความรู้สึกตัวตอนที่ทานอาหารก็เราก็พิจจรณาดูได้ทานสี่ย่เป็นอาหารสี่ย่ก็จะได้ประโยชน์แต่ว่านอกจาก อันหารกลงก็ทุกเวลาทุกนาทีมีสติจะได้แสบจะได้ติดอะไรต้าติดแล้วก็ปลอยไปไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอยอยางเป็นปกติ สำหรับจะเย็นนี้ก็เพื่อการเพียงแกนี้ก่อนนะก็ต่อไปก็อ่าระอ่าต่อไปอ่ากลับพร้อมกันได้นะครับ